รักษาประคองอาการให้เขาอยู่รอดไปค่ะอ่าก็ เ, เหมือนคนนะเนคนเราก็เช่นเดีวยดวกันบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้อ่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลก น, น, นี้เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราควรจะพิจารณาอยู่ในเรื่ยงเพื่อเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ ปล่อยวางร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นสิ่งอื่นทั้งหลายว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดผาาจากกันเรามีวันหยุดไหมมีวันปิดหยุดห น, หนูหยุดวันพุธวันเดียวค่ะเวลาวัน ทั้งว่างกับพรอบครัวก็ไปบนศาลาแต่ช่วงนี้สถานการณ์เรื่องโควิด <c oughs> ก็ไม่ได้ไปแต่ช่วงเดือนมีนาะคมได้ไปการาบพระอาจารย์นะคะวันที่11ที่ผ่านมาก็สิบมีนาหลังจากนั้นไม่จิวันก็ปิดนะใช่ค่ะพระอาจารย์คะย่งว่าช่วงปีเลยค่ะที่ได้ไปการาบ ต, ตอนนี้ที่วัดเขาเปิดให้คนมาพักได้แล้วนะที่วัดยาอาจจะมีคนขาวอมขาวจําศีล ที่วัดนี่เขาลบตรวจจองเปิดอนุ ญ, ญาตให้คนเข้ามานุ่งขาวผมขาวได้แล้วแต่บนสุดเขาวนี้่เป็นของป่าไม้เขายัางไม่มีคําสั่งให้เปิดต้องรอคําสั่งจากกรมอุทยานก่อนถึงจะเปิดได้ถึงจะให้คนขึ้นไปได้เตั้นตอนนี้ถ้าอยากจะมาวัดก็มามาภาคปฏิบัติที่ข้างล่างได้เมาตอเช้าก็ญญาาาไปที่ศาลา ถอยอาหารได้ตามปกติเราก็จะไม่ลงวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระใช่ค่ะธรรมดาหรืจัง <c oughs> เพราะต้องแบกท่านหน้าที่ให้เจ้าวาดเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่มีภาษาน้อยกว่าถ้าเราลงพร้อมกันเราก็จะเป็นหัวหน้าท่านก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าก็ เ, าเลยสลับกันวันเสาร์อาทิตย์วันพระมาให้ท่านเป็นหัวหน้า แล้วก็ไ ป, ปเวรของ า, าจารย์คาหนูขออาราธนาพระอาจารย์ให้ถนอมธาตุขันธ์แล้วก็อยู่เป็นนิ่งขวัญเราเป็นกําลังใจแล้วก็ได้สอนพุทธศาสนิกชนผู้ไปในธรรมะให้ประจานย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงได้อยู่นานๆนะจ๊ะคะก็ อ, อยู่ได้เท่าที่จะอยู่ได้ขอยังไงก็ขอไม่ได้แนระ้วขอมงม่มีมนขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคน สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่เราทำมาในอดีตทั้งบุญทั้งบาปเราทำไปแล้วมันก็ต้องส่งผลตามเวลาของมันอันนี้ไม่มีใครไปไปเปลี่ยนแปลงได้แต่แลรเปลี่ยนแปลงอนาคตได้คือพยายามทำบุญไว้อย่าไปทำบ า, าปค่ะอาจารย์า ก็จะก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้าทำบาปมันก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราพยายามปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ทุกวันค่ะและเลือกถึงท่านบาอาจารย์ทุกวันค่ะมันเป็นสำคานุสติได้ด้วยใช่ไหมเช่เจ้าคะอาจารย์ก็เราเลืกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสำคาญุสติเวลาเลืกถึงครูบาอาจารย์จิตใจก็จะเย็นจะสบาย คิดถึงคำสั่งคำสอนของท่านก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นไปเวลาที่เราเกิดความท้อแทบเหนื่อยในทางธรรมเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์างธรรมของพระพุทธเจ้าอนหนังสือธรรมะบางธรรมของครูบาอาจารย์อะไรท่างน่้ง พอได้ยินได้ฟังทมแล้วมันก็จะเกิดกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาความท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไปยค่ะครูเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูรบคนพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือมันมีช่วงที่ชีวิตเจอความทุกข์ขณะที่เราปฏิบัติแล้วก็คิดว่าเราทำความดีมาตลอดเลยประมาณ หนึ 1> 1่งหถึงสปีแต่มันก็ยังมีความทุกเข้ามามันเป็นเรื่องปกติเป็นกรรมเก่าหรือว่าเป็นกรรมปัจจุบันคะพรอาจารย์มันก็เป็นหลายอย่างด้วนส่วนนึ่ง อ, อาจจะเป็นกรรมเก่าอีกส่วนนึ่งก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ของอนิจจังในโลกนี้คือไม่มีอะไรแน่นอนอย่างตอนนี้เห็นไหมมีโรคระบาดมีอะไรมันก็เป็นเหตุการณ์ของของโลกเป็นอนิจจัง อนัตตาก็คือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องทุกกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถ้าเราไม่ไปหวังผลปัญหาของพวเราคือเราทุกข์กันเพราะเราอยากจะได้ผลดีพอเราเจอผลไม่ดีเราก็เลยทุกข์กันไม่สบายใจกันเราต้องพร้อมที่จะรับผลทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้น อย่าไปมองว <ifall pitches S 1> ่าโอ้ยเราทําแต่ความดีแล้วทําไมจะมีแต่เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราบางทีเราเข้าข้างเราเข้าข้างตัวเองด้วยเข้าเนี้ยะการทำความดีเราจํานะจําได้แต่การทำความไม่ดีเราไม่จำเนยค่ะใช่จ้ะค่ะบางทีมันเราก็เลยค่อยข้างหลอกตัวเองว่าเราทําดีทําไมไม่ได้ดีก็เพราะเราไม่ได้คิดถึงเวลาที่เราไม่ทําดีก็มีอยู่ใช่ไหมใช่้น ความจริงมันฟ้นฟองเองอะมันบอกเองเราอยากไปเข้าข้างตัวเราเอง <c oughs> เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้ามันดีก็บอกเออเนี่ยผลดีของชีวิตของบุญของที่เราทํามาถ้าเจอผลไม่ดีก็บอกนี่แหละมันเป็นผลของบาปที่เราทํามาสาธุใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายเจ้าขาอาจารย์ บางทีเราชอบหลอกตัวเราเองว่าเราทําดีเยอะเหลือเกินเราทำไมไม่ ไ, ด, ไ ด, ด้ได้ดีมีแต่เรื่องมีแต่รามีแต่อะไรทั้งหาย ม, มันก็เราลืมเรื่องที่ไม่ดีไปที่เราท <c oughs> ําแล้วก็ อ, กอย่างเราลืมความจริงของโลกโลกธรรมแปดนี้มันเป็นของขึ้นขึ้นลงลงราบยศสารเสริอมศพนี้มันมีขึ้นมีลงเขาเรียกว่ามีราบจะมีมีราบก็เสื่อมราบได้ มียศต็เกิยยดยศได้มีสันละเสริญก็มีนินทาไนดะ้มีสุขก็มีทุกข์ได้ถ้าเรามองโลกแบบนี้แนละ้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจเวลาที่เราเจอความเสื่อมของราบยศสะละเสริญสุขสอกว่ามันเป็นธรรมญาเหมือนผ้าทิศมีขึ้นมีลงตอนเช้าผ้าที่ก็ขึ้นตอนเย็นผ้าที่ก็ลงชีวิตราบยศสัละเสริญสุขก็ บางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงแล้วก็อยู่กับมันไปรับมันไปถ้าไม่อยากจะเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดอย่ามาเกิดไปปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมตัดความอยากได้แล้วนะก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วเราก็จะมีแต่บัลลุมลสุดอยู่กับพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวอันนี้มี มีญาติรวมคนที่สองเข้ามาคุณเบนเจาวันฮะสวัสดีอยู่ท<อ>ี่ไหนะ อ, อยู่ที่ไหนจ๊ะชบุรีค่ะชนบุรีอยู่ที่โรงพยาบาลเ น, นกันหรือเปล่าเปล่าค่ะหนูทำงานออฟฟิศค่ะเป็นทําไรนะทํางานอยู่ออฟฟิศค่ะ อ, ออฟฟิศอยู่ที่ตัวเมืองชอนบุรีเหรอใช่ค่ะอาจารย์แล้วเข้ามาได้ยังไงนะ อ่พอดีมีพี่ที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะคะบอกว่าพระอาจารย์เขามีซูมหนูก็เลยร้องเข้ามาดูค่ะก็มายากไหมอ่าไม่ยากค่ะเข้าจาก f a c e b o o อะค่ะติดตามเพจนี้อยู่ตลอดเลยอ่าหนูติดตามมาประมาณสองปีแล้วค่ะหนูขึ้นไปที่วัดอยู่ค่ะอ๋อก็ไปอยู่ที่วัดด้วยนะใช่ค่ะเคยไปฟังเทศพระอาจารย์หลายรอบละค่ะ อันนี้ทางวัดก็เปิดให้คนเข้ามาพักปฏิบัติธรรมได้แล้วนะอ๋อได้ค่ะแ ล, แล้วข้างบนอีกนั้นไหมคะข้างบนนี้ยังไม่มีกําหนดก็ต้องรอจากคําสั่งจากกรมวิทยาค่ะเชิญเลยใครก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้มีถ่ายทอดสดทุกวันค่ะได้หนูขอกลาบถามคําถามเลยค่ะได้เชิญ อ่าพอดีว่าเวลาปฏิบัตินะคะ่ะ ห, หนูนั่งภาวนานะคะนั่งดูลมหายใจเข้าออกอะคะอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่สงบมันเหมือนแบบเราคิดไปเรื่อยเปล่า อ, อันนี้คือเราไม่มีสติใช่ไหมคะใช่ไม่มีสติบังคับให้ดูลมอย่างเดียวดูลมไปนนแ้วก็คิต้องใช้คําบริกรรมก่อนนะแล้วใช้สวมดมนต์ก่อนมันจะบังคับให้เราหยุดคิดได้ก่อนพอ พอจะดูลมมันเริ่มคิดเรื่องนั้นเร่อนี้ก็ลองสวดอีพีปีโซไปสวดได้ไหมอีพีปีโซได้อยู่ค่ะสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงในท่านั่งสมาธินั่นแหะน ะ, ะแล้วก็สวดไปภาในใจสวไปหลายๆรอบสวดไปจะรู้สึกใจเบาเย็นสบายไม่คิดแล้วก็ค่อยกลับมาดูลมหายใจต่อแล้วถ้าเราคิดไปถึงในแบบในเรื่องที่แบบในเรื่องอดีตนะคะ ทั้งนั้นนะ่ะถ้าเราเวลานำทําสมาธิไม่คิดทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตนี่ไนมะ่ให้คิดเลยให้ให้หยุดความคิดเพราะถ้าไม่ไม่หยุดคิดจิตมันก็จะไม่สงบมันก็เข้าสมาธิไม่ได้ในการทำสมาธินี่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากตอนที่เราทําปัญญาหรือวิปัสสนานี่เราถึงคิดคในเวลาทําสมาธินี่ต้องอย่าไปคิด ถ้าให้มันดูลมหายใจก็ออกไม่ได้ก็้เดียวเดียวเดี๋ยวใคปิดไมครโฟนกันนมั้มที่ไม่ได้พูดนะก็ตอนทำสมาธินี่อย่าคิดมิจฉอยู่คิดก็ให้มันคิดเรื่องอแให้คิดเรื่องการสวดมนต์แทนคิดอิติปิโสภะกวาอาหังสัมมาสัมพุทโธไปมันก็จะหยุดคิดได้ แล้วพอรู้ส็จว่ามันไม่คิดแล้วค so ่อยมาดูลมหายใจต่ออยู่ที่ใจจมดหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกค่ะไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆอาจจะมีพรางคิกมาชวนเราคิดก็อย่าไปคิดกับมันอย่าไปคุยกับมันก็ดูลมของเราไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก เอาไปคามคิดมันก็จะน้อยลงไปแล้วก็หา่านออกไปค่ะอย่าไปคิดกับมันอย่าไปคุยกับมันอย่าไปตามคิดให้ตามลมให้ดูลบเขาดูลมถ้ามันคิดก็ดึงกลับอะคะถ้ามันคิดก็พุทโธดึงกลับมาที่ลมท่านึังึงกลับมาที่ลมไม่น่าใช้พุทโธช่วยก็ได้ท่อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้โดยไม่ต้องดูลม ถ้า ใ, ใช้พุโทโธก็ไม่ต้องดูลงบางคนเข้าว่าดูลงด้วยพูดเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้ค่ะต้องพยายามฝืนเงินตอนใหม่ๆนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มันจะเป็นการต่อสู้กันก่อนต่อสู้ระหว่างสติกับการเผลสติถ้ามีสติมันก็จะอยู่กับลมจะอยู่กับการสวดวมลอยู่กับพุโทโธ พอเผลอปั๊บมันก็ไปแล้วคิดเรื่องมาดีคิดเรื่องอนาคตคิดไปไม่รู้จักจบจักสิน้นนะครับเดี๋ยวมันก็ท้อเพราะว่านั่งแล้วมันไม่ได้ผลวิธีที่จะดีกว่านี้ก็คือคนจะฝึกสติก่อนที่มานั่งมีาามควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆจะใช้วิธีท่องพุโทธโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้เวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอย่าให้มันคิด ถ้ามันจะคิดจะท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือสว่วนอิติิโสไปหรือจะใช้การเข้าดูการทํางานของร่างกายก็ได้เมื่อร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็ให้ดูการรับประทานอาหารอย่างเดียวอ๋อค่ะพอดีห น, นูนั่งมาประมาณสักหอ้ตั้งแต่อายุสิบกว่าค่ะแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยอะค่ะเพราะขาศสติเพราะหนูไม่ได้ฝึกสติอื้ ในช่วงระหว่างที่ไม่ได้ไม่ได้นั่งเวลาไม่ได้นั่งทำงานทํำอะไรหนูก็ปล่อยใจคิดเรื่อยๆเช่นเราเรียนแลเวลาแปลงฟันก็แปลงไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยถ้าอยากเรียก็ไม่มีสตินี้หรือต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เวลาทํางานอะไรก็ให้อยู่กับงานนั้นอย่างเดียวแปลงฟันก็ให้ดูการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าปล่อยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <น><ช>ถ้าหนูทำมุ่งใจให้อยู่กับงานที่ร่างกายทำอยู่ได้เวลามานั่งก็ดูลงได้มันก็จะไม่คิดค<ช>่ะต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆสติเราสามารถสกิดได้ตลอดเวลาค<ช>่ะแต่มันจะยากถ้าเราทำงานเวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดก็ให้มีสติอยู่กับความคิดของงานอย่างเดียวก็แล้วกัน คิดอยู่กับเรื่องงานอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นบางทีเราทำงานล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไปช้อปปิ้งที่ไหนดีเดี๋ยวที่นี่ไปเที่ยวที่ไหนดีต้องให้มันอยู่กับงานอย่างเดียวพยายาฝึกิให้มันทำอย่างเดียวอยู่กับเรื่องเดียวร่างกายทำอะไรให้มันอยู่กับเรื่องที่ร่างกายลังทำอยู่มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวถึงเวลา เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดไม่คิดน้อยแล้วเราก็จะสามารถเข้าดูลองหายใจเข้าออกนะค่ะหายใจไหมตอนนี้หนูหใจ<ช><ช>ค่ะใช้มือถือเหรอใจใช้ใ ช, ใช้มือถือค่ะยังไงเสียงชัดไหมชัดค่ะั า, านภาพชัดนะค่ะมีอะไรอยากกระามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะตอนนี้หนู จะไปฝึกสติก่อนเพราะว่าปัญหาของหนูคือมันไม่สามารถมีสติได้เลยเคยมาที่วัดยามบ้างหรือเป่เอ๋อหนูเข้าไปที่วัดเคยไปแค่ครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปก็ขึ้นไปฟังบนเขาชีโอนอย่างเดียวค่ะ อ, อไปตอนบ่ายนียใช่ค่ะไปตอนบ่ายกับไปใส่บาทค่ะไปใสบาต ท, ที่บ้านเพอตอนเ้านะใช่ค่ะตรงออบิ๊กซีอะค่ะอ๋อบิ๊กซีนสามแยกไเยเ ต้องเช้าหน่อย้นะนะใช่ค่ะมาจากเมืองชนเลยเหรอหนูออกจากเมืองชนประมาณตีสีค่ะอ๋อตีสีค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทางด่วนก็มาถึงถึงบ้านอำเภอแล้วถ้าต่อถนนก็จะสะดวกไม่ต้องวิ่งผ่านไฟแดงถ้ามาตามสุขุมวิทนี่มันก็จะเจอไฟแดงเยอะ ต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้ต้องยี่บสก็เริ่มเปิดให้ใช้สีไปถึงอุตภเปาเนี่ยเราก็ขึ้นขึ้นทางหลวงที่เมืองชนได้เ<ด>พ้าะว่าพุทเดียวก็ถึงมีมทางลงบาวัดยานมาบนเขาก็าเป็นลงที่ทางลงขันเขาจีเขาจีโอเขาจีจันเขาจีจัน้หุ่นแล้วมียยวไปทางวิหารสีนขึ้นเขา ไ, ได้ ท่าจะใส่บัตรเครื่องบินลงที่ลงแอร์โอเชียนมารีนาใช่ไหมะอาจารย์ลงพักก็ถึงเลยจะไม่ต้องใช้เวลานเพราะว่าไม่ไม่ต้องวิ่งผ่านไฟแดงสียยากไฟแดงถ้ามาสกุลวิตนี้ไม่ต้องเจอไฟแดงเยอะค่ะหนูกลัวไปไม่ทันธรรมดามามาทางสุกุมวิทใช่ไหม อ่าเป็นบางครั้งค่ะอโอเคเดี๋ยวตอนนี้มีผู้เข้ามาท่านคุณจรุวรรณเดี๋ยวลองคุยกับจรุวรรณหน่อยนะค่ะจรุวรรณเจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่เนี่ยแต่ใช้ชื่อจรุวรรณลูกซิตาจรุวรรณอยู่หนองคายเจ้าค่ะเผอิญเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาเห็นให้กดเข้ามาดูได้ก็เลยเผยกดเข้ามาเป็นการรบกวนหรือไม่เจ้าค่ะเพราไม่หลอกนี้เปิดให้ทุกคนเข้ามาส น, านทนาธรรมาคุยกันมา เราถามตอบคำถามกันคุณชื่ออะไรนะพื่อจารุวันค่ะจารุวรรณอ๋ออยู่ที่หนองคายเหรอยู่หนองคายเจ้าค่ะพออยู่ไกลนะแต่ลูกได้อาศัยฟังธรรมของพระอาจารย์ก็ได้มีสติเพิ่มเจ้าค่ะฟังทางไหนทางทางเริ่มต้นจากทาง facebook เจ้าค่ะแล้วเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็ลองฟังทางซูมเจ้าค่ะทางซูมนะค่ะ ที่ทอตอบคำถามเทศวันเทศสดวันก่อนนะเจ้าค่ะ อ, อ่าก็ดีติดตามมานานหรือยังเ อ, อ่อน่าจะตั้งแต่พระอาจารย์เริ่มเริ่มสักพักเนึ้งอะค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดไลน์กรุ๊ปอะค่ะ อ, อ่าก็หลายปีแล้วนะอโ อ, โอไ ม, ไม่ไม่หลายเจ้าค่ะช่วง น่าจะประมาณสงการนะคะปกติสงการลูกจะเข้าวัดแต่ปีนี้ไม่ได้เข้าวัดก็เลยโชคดีมากๆเลยได้ฟังธรรมพระอาจารย์อยู่ที่บ้านเจ้าค่ะเพิ่งเพิ่งเข้ามาช่วงสงการปีนี้แหละเจ้าค่ะอแต่อ้านั้นตั้งแต่ไปอยู่วัดไปปฏิเริ่มปฏิบัติธรรมแบบเบบี้เบบี้ใหม่ๆค่ะก็มีคนแม่ออกที่วัดเขาเอาหนังสือของพระอาจารย์ให้อ่านแต่ก็ไม่รู้จารยค่ะยังคิดว่าพระอาจารย์เป็นพระหนุ่มๆ่ะอืะ กระนุว่าเปิดฟังก็ยังคิดว่าพระอาจารย์เป็นพระอายุน้อยๆเจ้าค่ะน้าตามกันน่าตามเป็นเด็กใช่เจ้าค่ะอายุเจ็ดสิบสองแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิค่ะเจ้าค่ะก็เรื่องของร่างกายแล้วอยู่แถวแถวหนองคายนี่มีวัดปฏิบัติเยอะนี่นะไปวัดไหนมาแต่ว่าลูกไปวัดแก้งใหม่เจ้าค่ะไปตั้งแต่จันนีแล้ว เจ้าค่ะตั้งแต่สมัยลูกอายุน้อยๆเจ้าค่ ะ, ะแล้วเคยไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าพักที่นั่ น, นก็อลูกไปอยู่เป็นเรื่องเป็นราวได้สักอไปอยู่แบบเป็นระยะเวลานานๆค่ ะ, ะได้สักห้าเจ้าค่ะเขาเจอลูกศิษย์ของเราที่เขาไปพักอยวปฏิบัติที่นั่ น, นใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ได้อาศัยเดิมชื่อครับมีพิ่นาพี่นากับพี่แดงใช่ไหม แล้ว <ไป S 2> พวกกลุ่มกลุ่ ม, มอจุลธรรมอะค่ะที่ก้อยก็เคยไปอยู่วัดพราจารอ์มอประกาศว่าที่นัน่นก็เป็นสถานที่ปฏิบัติดีนี่ใช่ไหมก็ลูกก็ว่าดีเจ้าค่ะลูกก็ไม่ค่อยเ ข, ข็งครูบาอาจารย์ท่านก็เข้มงวดกว่ดขันดีเออท่านก็ใครสอนได้ท่านก็สอนเจ้าค่ะใครที่ได้ ขนาดไหนท่านก็สอนขนาดนั้นอย่างลูกท่านก็ค่อยๆตกเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยก็ไม่ได้อืเต้องเป็นไปตามกํากลังของผู้ศึกษาเจ้าค่ะคือจะไป<ก>เที่บังคับมันก็ไม่ได้เจ้าค่ะไอ้ได้อาศัยฟังธรรมพระอาจารย์สุชาติก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะได้วิธีปฏิบัติได้วิธีคุมสติไม่มี้หลักเล่สงสัยเจ้าค่ะมีอะไรอยากจะถามไหม จริงๆลูกก็ปฏิบัติไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวใจอยากไ ป, ปใจมาทางปฏิบัติแต่มันก็อยู่ในสังคมมันก็มีกเลสเยอะแยะเจ้าค่ะเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติดูง่ายๆถ้าได้เข้าวัดก็ดีมากเลยถ้าไม่ค่อยได้เข้าวัดอย่างช่วงนี้ไม่ได้เข้าวัดก็แย่มากเลยการจะเข้าวัดได้ น, นี่ต้องบังคับตัวเอง อยู่เฉยๆมันไม่อยากเข้าหรอกถ้าเรารอกาสรอจังหวะรอไปเถอดมันไม่ค่อยมีจังหวะโอกาสที่จะเข้าวัดหรอเราต้องมันไม่อยากเข้าจริงๆเราต้องบังคับมันเราต้องกําหนดเวลาเช่นช่วงต่อไปเป็นช่วงเข้าพรรษาวันหยุดเข้าพรรษาอะไรทํานองไปเราต้องมีกําหนดการเวลาสําหรับการเข้าวัด ถ้าเราบอกว่า เ, าเดี๋ยวสบายใจก่อนเรื่องว่างก่อนไม่มีวันวันว่างเวลาว่างมันก็ไปทําอย่างอื่นแทนถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าในธรรมันก็ต้องบังคับใจอย่าไปคิดว่าใจมันจะไปของมันเองอันนั้นพวกที่ไปของมันเองเนี่ยเป็นพวกที่เขาก้าวมาไกลนะ้วเขามีดวงตาเห็นธรรมแนละ้วเขาเห็นคุณค่าของธรรมแนละ้วเขาได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ที่เป็นเหนือกว่าความเหนือกว่าลทั้งปวงพอถ้าก็ได้ถึงเกณฑนั้นนะไม่ต้องบังคับเลยเขาจะคิดแต่เรื่องไปวัดเรื่องการไปปฏิบัติอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าเรายังไม่ถึงช่วงนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการบังคับกําหนดเวลาเช่นกำหนดเดือนละครั้งได้ไหมอาทิตย์ละครั้งได้ไหมอะไรทํำนองนี้ เราพยายามทำตามที่เรากําหนดไว้เวลาทํามันอาจะรู้สึกมันไม่ก้าหน้ามันไม่รู้ว่าจะได้อะไรก็ไม่ต้องไปกังวลเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเริ่มต้นเหมือนการทำงานใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมก็ทําไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวทอสิ้นเดือนพองเงินเดือนออกแล้วเทนี้มันก็จะมีกําลังใจมีพอพอได้เงินเดือนแล้วทีนี้มันก็ไม่ต้องบังคับแล้วมันก็รู้ว่าเอ ถ้าไปทำงานแล้วเดี๋ยวก็จะได้เงินเดือนอันนี้ก็เหมือนกันใหม่ๆเวลาเราปฏิบัติก็ไม่รู้สึ ก, กไม่รู้สึกได้อะไรใจก็ยังฟุง้งซ่านยังมุด่ายอยู่ยังมีทางรู้สึกอุดอัดเบื่อหน่ายอะไรต่างๆก็พยายามฝึกไปฝืนไปฝึกสติไปคอยควบคุมใจอย่าให้คิดคุงแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพสติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นผลขึ้นมาใจก็จะว่างขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นเวลากลับมาบ้านใจวุ่นวายกว่าเวลาอยู่วัดมันก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วมันก็คิดว่ากลับไปอยู่วัดดีกว่ากลับมาบ้านทําไมกลับมาก็ต้องมีเหตุคือจําเป็นต้องมาทํางานหรือทาอะไรธุระถ้าไม่มีเหตุไม่มีธุระมีความจําเป็นก็ ไปอยู่วัดดีกว่าน้นต้องพยายามบังคับตัวเองพยายามฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆธรรมะของกูบาลย์หลายร่างรูปห ล, ลายร้อยองค์จะได้เปรียบเทียบกันว่า<ค>องค์ไหนเทศถูกไหมไม่ถูกอะไรอย่างไรบางทีไปศึกษาองค์เดียวบางทีอาจจะหลงทางได้ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ถ้าศึกษากับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็ไม่ไม่หลงทางแต่ถ้าได้ฟังของท่านผู้อื่นได้ด้วยก็อาจจะได้มีการเปรียบเทียบลูกก็ได้ฝังของลูกตาด้วยโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะควรจะศึกษาบ้า็สูตรเช่นธรรมจกกักรวัฒนสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรอะไรทอย่านงนี้แล้ว เราจะได้รู้เวลาที่เราฟังธรรมของครูบาอาจารย์ว่าท่านสอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า <Okay. S 1> ต้องศึกษาก่อนต้องขยันศึกษาแล้วเราจะได้เห็นทางรู้ทางาไม่งั้นเราก็จับจับต้นชนปลายไม่ถูกให้เราทํานี่ทำเพื่ออะไรทำอย่างไรอันไหนควรจะทําก่อนอันไหนควรจะทาหลังมันก็จะสับสน พอได้ศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าอันไหนมาก่อนอันหลังอันไหนสาคัญกว่ากันยาก ง, ง่ายกว่ากันแล้วว่าจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ยขอเขาโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอโอกาสกับถามเรื่องความฝันเจ้าค่ะคือลูกมี เอาการฝันบ่อยมากเลยแล้วก็บางครั้งก็หลายๆครั้งฝันเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเคยเล่าว่าเราไม่ได้ไปสวรรค์ฝันมันก็ไปเหมือนสวรรค์ใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาฝันเหมือนกับไปอยู่เมืองหนึ่งไปเหมือนเป็นชีวิตประจําวันแต่เป็นที่ที่หนึ่งแล้วก็ฝันรุ่นฝันนี้บางครั้งก็เอาไปกราบเรียนพระอาจารย์จะมีท่านก็บอกให้ี่บางครั้งนะค่ะท่านให้พิจารณาเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมจริงๆอย่างเช่นเคยครั้งหนึ่งฝันว่านั่งอยู่เรือแล้วก็อยู่ใน ทะเลมันเป็นแม่น้ําแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแล้วสีน้ํามันจะขุ่นๆเสร็จแล้วมันก็มีทางที่น้ำมันจะไหลลงไปเหมือนเป็นน้ําตกลงไปอย่างนี้ค่ะตอนนี้ลูกก็ไม่กล้าลงในฝันคือลูกไม่กล้าลงลูกรู้สึกกลัวว่ามันทันมากพร่อจัยทร์ก็เลยถามว่ามันมันสองข้างน้ํามันใสไหมลูกก็ไม่ได้สังเกตว่าน้ํามันใสไหมรู้แต่ว่าสองข้างทางสองข้างน้ําตกที่ลงไปมันเขียวชะอุ่มท่านก็แล้วให้พิจารณาเป็นธรรมว่า เรายังไม่ละที่ถี่มนันะของตัวเองซึ่งลูกก็มาน้อมตอนนั้นก็มีปัญหาก็มาน้อมว่าเออใช่เรามีตรวจตนของเราเยอะมันก็พอละตรงนั้นมันก็สบายใจแล้วแต่ว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังฝันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เลยคราวนี้ลูกก็เคยคิดว่าเป็นเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราพยายามคุมจิตของเราให้มันนิ่งๆกลางคืนมันก็เลยกระจัดกระจายเป็นอย่างนั้นจริงไหมเจ้าคะแล้วเราจะคุมฝันเราได้ไหมเจ้าคะ การควบคุมฝันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกสติตอนที่เราเตื่นนี่แหละถ้าเราควบคุมจิตให้สงบได้ต่อไปมันก็จะฝันน้อยถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้เราก็จะฝันน้อยแต่ก็ห้ามความฝันไม่ได้ความฝันมันก็เป็นเหมือนสภาวะธรรมงั้นเราควรจะพิจารณามันว่ามันเป็นไตรักจะดีกว่า โอ้มันดับไปเองเกิดเองไม่เกิด้็มันเองมันดับของมันเองมันไมีเหตุปัจจัยของมันเราเพียงแต่รับรู้มันแล้วก็อย่าไปอย่าไปสนใจออมันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปเช่นพอตื่นขึ้นมาก็อย่าไปย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เราฝันจริงๆมันก็ไม่ใช่การแสดงธรรมอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเจ้าเราอาจจะมีแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะแยกย่าก็อย่าไปสนใจโอเค แต่ถ้าเรามีปัญญามันอาจจะเป็นอะไรบอกบอกเราได้บางอย่างบา ง, บางเรื่องได้นต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายของมันก็อย่าไปสนใจไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่อาจจะมีพิษมีภัยถ้าเราไปคิดไปยุ่งกับมันแล้วไปคิดผิดทางก็อังน้ทางที่ดีถ้าเรายังไม่รู้เรื่องก็อย่าไปเล่นกับมันดีกว่าได้ไม่ ถ้าเมื่อวันเป็นนิมิตเนี่ยนิมิตนี้ท่านเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับมีดเนี่ยมีดนี่ถ้ารู้จักใช้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมเอาไปตัดกับข้ามทํากับข้าวหั่เนื้อหั่ผักได้แตถ้าใช้ไม่เป็นถ้าเป็นเด็กไปเล่นกับมีดเดี๋ยวก็บาดมือได้ยังถ้าเราไม่รู้เรื่องของนิมิตเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันเดี๋ยวเราไปเล่นกับมาแล้วเดี๋ยว เ อ, เอานิมิตนี้มาทำให้เราทุกข์ได้ทำให้เราเดือดร้อนได้็นทางที่ดีก็ให้พิจารณาตายลักไปเลาเหมือนกับมันเหมือนกับสภาวะธรรมอย่างเอ่ยมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้จะสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้จะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้เวลามันเกิดนันก็เพียงแต่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางเหมือน มันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วพยายามดึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันพุโทโธพุโทโธพุโทโธเวลาไปคิดถึงความฝันกับพุโทโธพุโทโธหยุดนะเราก็กลับมาอยู่ทํางานทําการในของเราสร้างปกติถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมาแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องฝันแล้วก็กังวลว่าเป็นจนะ้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีความหมายอะไรอย่างไรค okay. มไม่ไม่สําคัญนะมันไม่มันไม่ใช่เป็นธรรมที่เราต้เราต้องการธรรมที่เราต้องการคือความว่างความสงบทางสมาธิได้จิตว่างจิตสงบนะฮยังอย่งอื่นมันไม่เป็นของแท้ของจริงไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจกราบขอกราบเรียนถามเป็นกําลังใจเจ้าค่ะการที่เราฝึก ไปเรื่อยๆจิตว่างจิตสงบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีขั้นตอนของมันไปต่อเรื่อยๆเองใช่ไหมเจ้าคะก็ขั้นของความสงบมันก็จะไปหยุดที่ความสงบความนิ่งจิตเป็นอุเบกขาทีนี้สิ่งที่เราต้องทํำก็ให้มันสงบนานๆสงบบ่อยๆให้เราสามารถเข้าสู่ความสงบนี้ได้อยู่เรื่อยๆได้อย่างง่ายดาย5นาทีก็สงบนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติสมาธิ มันก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความนิ่งความสงบความสุขใจแล้วก็จิตเป็นอุเบกขาปล่อยวางไม่นักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงในขณะที่อยู่ในสมาธินี่มันก็พัฒนาไปได้แค่นั้นที่มันจะอยู่นานหรือไม่นานก็เป็นเรื่องของของการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถเข้าสมาธิได้นานขึ้นไปเรื่อย แล้วเราก็จะใช้สมาธินี้เป็นเครื่องอยู่ของเราไปก่อนเวลาอยากจะมีความสุขแทนที่จะไปเที่ยวไปดูน้ำฟังเพลงับเข้าสมาธิไปแทนมันไม่ผิดแน่ใช่ไหมเจ้าค ะ, ะการที่มันไม่มีทางพลาดไปทางหลงทางไปแน่ๆไม่<ๆ>หนูถ้าเราไม่ไปหลงติดกับนิมิตติดกับเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในสมาธิอย่าไปสนใจเป้าหมายของเราก็คือเพื่อให้จิตสงบจิตว่า ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาเราก็ใช้สตนะิดึงใจให้อย่าให้ไปตามมันใช้ใช้พุโทโธพุโทโธไปพอมีนิมิตมีอะไรอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปตามรู้ดึงใจให้กลับมาถ้าอยู่ที่พุโทโธไปแล้วอยู่ที่ลมหายใจเป้วอยู่ที่ความว่างก็ได้อย่าให้มันไปแล้วต่อไปเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มารบกวนใจ ่ถ้าเราไปเย็นเล่นกับมันไปยุ่งกับมันมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแล้าเราก็า จ, จะหลงผิดคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามนจะทาให้หลงทางได้ต้องระวังเวลานักงสมาธิต้องรู้เป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายก็คือความสงบความว่างความเย็นของใจอุเบกขาถ้ามีอย่างอห่นมาอย่าไปสนใจ มีเสียงมีภาพมีกลิ่นมีอะไรต่งางๆปรากฏมาให้รับรู้เราอย่ า, ยาไปสนใจใช้พุโทโธพุทโธตื่นใจกับมันอย่าไปตามมันย่าไปหามันอย่าไปรู้เรื่องของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อ น, นิจจ์ทุกขังอนัตตาทุกถ้าเราไปยุ่งกับมันอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เอามันไม่ได้ดังั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนั่นี้ เดีมันก็ไปเองมันน้อยเองเดี๋ยวมันก็ไปเองเราต้องการความว่าความนิ่งความสงบเพราะนั่นคือความสุขทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็มาฝึกคิดทางปัญญาต่อคิดว่าพิจศลตายรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นตายรักทั้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติครอบครองเงินทอง บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นตายรักหรือไม่เที่ยงเดีย๋ยวต้องมีการพัดพากจา ก, กันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสั่งให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวอนดีนั้นวันดีเป็น ด, นดีเขาก็จกเราไปเป็นอนาาัตตาถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์จนรณายอยู่ไปอย่างตอนนี้เห็นไหมเศรษฐกิจตกต่ำนี่ย โควิด <COVID S 2> มานี้คนสูญเสียอะไรกันเยอะแยะไปหมดตกงานตกการบริษัทต้องปิดอะไรไปเนี่ยนะนี่อันนี้ก็อนิจจ์ทิ้งแท้แน่นอนถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเวลามันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะปล่อยวางถ้าเราไม่คิดเลยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดดีไปตลอดเดี๋พอมันไม่ดีขึ้นมาเราก็จะหุ่นวายใจเสียอกเสียใจ นี่คือปัญญาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิกายคิดตายรักร่างกายเราก็ตายลักร่างกายเราเกิดแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไปอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราเราคือผู้สั่งร่างกายคือใจผู้รู้ผู้คิดใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจไม่ได้ตายกับไปกับร่างกายมีใจไม่ต้องกลัวใจปล่อยวางร่างกายได้ คิดให้ปล่อยว่าร่างกายให้ได้ <Okay. S 1> ไ, ได้ใจอ ไ, ได้สบายไม่วุ่นวายเวลามีเหตุการณ์มากระทบกับร่างกายก็สามารถที่จะรับรู้ได้ไม่ทุกข์กับมัน <Okay. S 1> สลับกันพิจารณาแล้วอยากจะกลับไปสมาธิก็เข้าไปนั่งสมาธิเหมือนทำสองอย่างนี้สลับกันไปเวลาทาสมาธิก็ต้องการให้ใจนิ่งอย่างเดียว ไม่ต้องการให้ใจคิดไม่ต้องการให้ใจรับรู้อะไรเมื่อแล้วเอาจากสมาธิมาพอมารับรู้อะไรก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรับไปบเพื่อจะได้ปล่อยวางเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ ะ, ะ, ะเดินออกมาตัวเองเรื่อยๆเจ้าค่ ะ, ะเคยมาที่วัดยานาาบ้างหรือเปล่าไม่เคยอเออเคยถ่ายลูกค่ ะ, ะเป็นคณะ โรงเรียนตอนสมัยนั้นทํางานที่โรงเรียนค่ะเขาพาไปเที่ยวตอนปิดเทอมแค่ไปถัดยร่างเจ้าค่ะยี่สิบปเจาะเออเป็นเกือบสิบปีแล้วเจ้าค่ะจะตัดกับอาจารย์อยู่เจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หนองคายเป็นหลักลูกอยู่หนองคายเป็นหลักเลยค่ะทำงานที่นั่นมีบ้านอยู่ที่นั่นมีเกิดที่นี่เลยเจ้าค่ะมีญาติพี่น้องอยู่ที่หนองคาย ใช่ค่ะอยู่ในจังหวัดเลยนะอยู่ในกลางใจกลางเมืองเลยเจ้าค่ะดาวท่าอยู่ใกล้แม่น้ำโคงเหรอก็เอถนนหนองคายมันจะมีถนนหลักๆอยู่สามสามสี่เส้นนะคะขนานไปกับแม่น้ำโขงค่ะก็อยู่เส้นที่สองเจ้าค่ะเสก็คือขึ้นไปบนชั้นสามก็จะมองมองชั้นสามก็จะมองเห็นอยู่เจ้าค่ะแล้วเคยไปหนองคายตอนที่เราไม่ไม่ได้บวชก่อนที่เราจะบวชประมาณปีนึง พอดีมีคนชวนไปเทีเ่ยวเวียงจันทร์ประเทศาเาลาวแล้วเรนั่งรถไฟจากหัวลําโพงไปลงที่หนองคายถึงได้ตอนตอนเช้าพอลงมันก็สถา น, นีรถไฟที่สิงมันจะใกล้แม่น้ำโขงเลยเห็นเนี่ยนะ้าค่ะตรงนั้นะนี่เลยเจ้าค่ะอ่ติดถนนเส้นที่ติดแล้วก็ไปผ่านได้สุลกากรแล้วก็ลงลงล ง, ลงเรือข้ามฟากไปไปลาวได้ โอ้สมัยนั้นยังไม่มีสะพานไม่มีานนะต้องนั่งแล้วก็จะมีแท็กซี่ของของเราแท็กซี่ที่แล้วเขานั่งรวมกันหลายหลายคนอ๋อใช่เข้ามาเปาเข้าไปในเมืองแล้วก็เข้าไปไปเวรจัดมีโอกาสเพรานนั้นตอนนั้นก่อนก่อนที่จะบวชสองพันห้าร้อยสิบเกียนตอนนั้นหนูยังไม่เกิดเกิดแล้วยังอ๋อเกิดแล้วเจ้าค่ะลูกห้าปีกว่าแล้วเจ้าค่ะ หนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะหนึ่งเจ็ดตอนนั้นยังไม่เป็นเพิ่งเป็นคอมันนิตใหม่ๆมั้งเจ้าคะมันเป็นยังไงไม่รู้แล้วจำได้เป็นเจ้าเจ้าสวุวนรณจ้ามากแต่มันก็มันก็ไม่ได้ห้ามคนไทยเข้าไปนะมีพาสสปอร์ตก็เข้าไปได้รู้สึกเป็นคอมอมินมนิดบ้ามตอนนั้นะ เพรเราเคถูกเขาเรียกตัวดูตรวจพาสปอร์ตที่สนามบินเพราะเราอยากบินจันเราก็บินไปที่หลวงพ่บางอยาวก็บินไปที่หลวงพอบางอ้โหพาจาันไปตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วค่ะยุค ก, ก่อนที่จะตอนนนั้จะเป็นหลวงพ่บางอย่างเงียบสงบง เ, ปเป็นเมืองเล็กๆวัดวาสวยงามมีวัดเยอะอยู่บนเขาแต่ตอนนั้นเรายังไม่เคยได้เข้าวัดเท่าไหร่เราะเราไม่เคยรู้เรื่องเรื่องของวัดเท่าไหร่ วันนี้มีเพื่อนชาวต่างชาติเขาชวนไปเขาเขาจะไปไทยทําสารลักคณีอืออะไรชวนเราไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ไปนะพระอาจารย์จะมีโอกาสมาอีกไหมเจ้าคะอนาคตมันพูดไม่ได้นะจะมีก็ไม่มีพูดว่าไม่มีเดี๋ยวมันมีขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเหมือนโกหกแต่พูดว่า ม, มีเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปก็จะว่าโกหก ก็เรามักจะปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมะจัดสรรไปถ้าธรรมะจะจัดให้เราไปมันก็ไปถ้าธรรมะไม่จัดให้ไปมันก็ไม่ได้ไปเวันนี้ก็ธรรมะจัดสรรให้เรามาเจอกันนี้เจ้าค่ะซาทูลูกก็รู้สึกเป็นปุณจาค่ะ อ, อยากโอากาสกลาบเรียนพระอาจารย์ว่าการที่พระอาจารย์ไลฟ์เทสสดเนี่ยค่ะมีประโยชน์อย่างมากเลยเจ้าค่ะดีใจที่มีคนติดตามเยอะ โดยเฉพาะตอนตอบคําถามเจ้าค่ะคําถามถามพระอาจารย์มันเอ่อแล้วปรับใช้กับตัวเราได้ทุกๆคําถาม เ, เลยในวันนี้เราทดลองใช้วิธีนี้หนึ่งวิธีให้คนเข้ามาคุยมาถามโดยตรงเลยเพราะเมื่อก่อนนี้เขาส่งข้อความเข้ามาให้มันเขียนเข้ามาแล้วก็ให้คนอ่านแล้วก็ตอบได้เพียงตอบไปแนละ้วพอคนฟังฟังอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจะถามจะถามกลับก็ถามไม่ได้ บบคงต้องแ บ, บคงต้อง ค, ค, คงต้องให้เขียนบอกที่ที่หน้าเฟซบุ๊กว่าให้ใครก็เข้ามาได้เพราะเมื่อสักครู่ลูกเข้ามาก็ต ก, กใจคิดว่าเป็นห้องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดหน้าตัวเองออกมาเจ้าค่ะก็ไม่ได้ห้ามเลยก็คิดแล้วก็เขียนว่าใครต้องการสนทนาทำก็คลิกเข้ามาได้พอพอเห็นคนไม่ค่อยเยอะแล้ว เ, เห็นพระอาจารย์ตอบสดก็ต ก, ตกใจเลยเจ้าค่ะ ไม่เนี่ยให้ทุกคนเข้ามาได้แต่ไม่มีใครเข้ามามเลยเข้ามาทีละคนเข้ามาทีละคนแล้วพอาระพูดกับคนคนค น, นี้คนอื่นเขาก็ออกไปอแต่อีกท่าทุกคนเข้ามาฟังได้เปิดต้องให้ว่ามีเขาเปิดให้เข้ามาทีได้ห้าสิบคนแต่ไม่ไม่มี้อรใครเข้ามาแล้วสร็ขข้าตอนนี้เหลืออยู่คนคุณอยู่คนเดียวนะคิดว่าเขาเข้ามาแล้วเขาคงเขาคงอกเปลนใจที่ว่าคุณยากต้องการให้พูดส่วนตัวกันเนาะ ใช่ครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นของใหม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งทดลองเนาอก็ดีมีอะไรไหมเออก็ลูกก็ต้องไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะคงจะดีขึ้นเจ้าโอเคอย่ท้อแท้อย่าเบื่อนายพยายามศึกษาแล้วก็พยายามปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วว่าปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ควรไปปฏิบัติ ก็ศึกษามากเกินไปมันก็มันก็เพลมือนมันไม่ได้ทําให้ก้าวหน้าศึกษาเพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรแล้วก็นําออกไปปฏิบัติต่อแล้วมันก็จะคืบหน้าไปแล้วก็กลับมาศึกษาใหม่เพราะว่ามันพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่ๆให้เราสนใจอยากจะรู้ขึ้นมาอีกเราก็ต้องกลับมาศึกษาต่อแต่ไม่ต้องศึกษาทั้งปไตยุทธก็ไปปฏิบัติ อที่เราิเรียนหน่อยแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาศึกษาต่อเรื่องสีบ้างเรื่องสมาธิบ้างเรื่องปัญญาบ้างมันมีหลายเรื่องด้วยกันที่ต้องศึกษา<ม>โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าข่าอ่าขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเควันนี้เข้ามาได้ไงมีมีคนบอกว่าพอดีเข้ามาในเพจพอดีพอดีเลยเจ้าข่าเปิด ไล่เฟซบุ๊กกันมาปกติก็จะตั้งให้เฟซบุ๊กของผ้าจารย์อยู่ข้างบนสุดอ่ะเจ้าค่ะพอเปิดอันนี้ก็คลิกเข้ามาก็ตกกระต่ายเลยค่ะกําลังจะออกไปลองฟังดูก่อนธรรมดาถ้ามีโพสต์ใหม่นี้มันจะเตือนเราหรือเปล่าเออเตือนเจ้าค่ะเตือนนะว่ามีโพสต์ใหม่ก็มันก็อยู่ที่ว่าเราตั้งให้มันเตือนอ่ะเจ้าค่ะตั้งให้มันเตือนได้ค่าได้ดอันนี้วันนี้ก็เป็นการทดลองใช้ ใช้เนี่ยใช้รูมเนี่ยใช้ใชมเมซนเจรนี้ก็ดีได้มีโอกาสได้พูดธรรมะกันแล้วก็ได้อ่าไว้เดี๋ยวจะอาจจะโพสต์ต่อไปได้โอเค้ค่ะก็ลองติดตามดูค่ะเออเอาแค่นี้ก่อนนะแตบาขอให้สุดให้เจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทสาทุสาธุ ใ ค, ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะยังไม่ปิดยัไม่เวลานะแต่รู้สึกคงไม่มีใครเข้ามาแล้วมนะเพราะนานแล้วเนี่ยต้องสี่สิบกว่านาทีแล้วเมื่อกี้มีคนหนงเข้ามาคนสองคนพอเห็นหน้าพักก็เลยปิดเลย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณนีก็ตามตามสบายนะคุณอยากจะ <Okay. S 1> อยู่อยู่ต่อก็ได้ <c oughs> อยากจะไปก็ได้ ลูกจะขอออกไปบอกเพื่อนนะเจ้าค่ะเผื่อเราจะเข้าดาวทุกแลวจะไปก่อนก็ได้